ทำเหตุให้ถูกต้องจำคำนี้ไว้นะแล้วก็อย่าไปปรุงเยอะอย่าไปถงใสยมากนี่จะไล่ลำดับตามตามที่มันจำเป็นก็คือว่านั่งคูบาลัง นังครูบัลลังจัดท่านั่งให้เรียบร้อยดูให้มันได้ส่วนหน่อยให้มันได้ส่วนตั้งกายให้ตรง ตังกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าชา้ชาๆดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนชา้ชาๆ น้อมจิตเข้ามาสู่ช่องจมูกที่เป็นทางเดินของลมหายใจแล <c oughs> ้วก็วางจิตรู้ไว้ตรงจุดที่รู้สึกกับลมหายใจได้ หายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจว่ายแล้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วก็ปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกกับลมหายใจนั้นที่ควารู้อยู่กับลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออก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 ครั้งที่สามหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจวาตั้งใจวาจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจแล้วก็รู้ลมหายใจเข้า ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจแล้วก็รู้ลมหายใจที่ไหลออกคว้ารู้ระยะของลมหายใจ ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมลมหายใจเข้าก็จะไม่แรงแต่ว่าผ่านช่องจมูกนั้นจะเป็นลมที่เรียบกลางกลางโดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดทำมันแค่คว้ารู้ระยะของลมหายใจ ถ้าจิตรู้มันดันไปรู้ที่สี่โครงหรือรู้ตรงที่มันเคลื่อนไหวก็ไม่ต้องไปสงสัยก็แค่กลับมาอยู่ที่ตั้งแล้วก็รู้ลมหายใจความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจ ควรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้า ควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้า เฝ้าร ar ู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกคว้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก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 แก่งออกไปข้างนอกและก็กลับมาที่ตั้งของจิตรู้และก็ความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าแล้จิตรู้ไปรู้สึกที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งก็แค่รู้และก็กลับไปตั้งอยู่ที่ตั้งและก็ความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก คว้ารู i, om, a, ้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกถ้าจิตหลุดออกไปข้างนอกก็แค่รู้ว่าจิตหลุดออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมารู้คว้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก จิตเกิดความคิดก็รู้ว่าจิตเกิดความคิดแล้วก็ไปเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าความคิดจะเกิดตอนที่จิตไม่ได้เฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจพอมันมีความคิดเกิดขึ้นไม่ต้องไปหมกมุ่นไม่ต้องไปครุ่นคิดไม่ต้องไปแช่อยู่กับความคิดแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้น ก็นำจิตไปอยู่ในที่ตั้งและก็เฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกเมื่อใดที่เราเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกความคิดจะเกิดขึ้นยาก ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปเร่งบีบลมหายใจหรือไปจัดการลมหายใจอะไรเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าเข้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกกายสหบไม่กระสับกระส่ายลมก็สหบไม่กระสับกระส่าย จิตรู้ก็สงบไม่กระสับกระส่ายควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะลมหายใจเข้าจิตรู้มีเพียงลมหายใจที่ถูกรู้ความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก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 เฝารู้นานๆต่อเนื่องจนสุดระยะของลมจิตรู้กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้จะมีความพอดีกันถ้าจิตรู้นานแสดงว่าลมมันยาวจิตรู้น้อยรู้สั้นแสดงว่าลมมันสั้น ความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก จิตรู้ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์อื่นนอกเหนือจากลมหายใจมีลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวขว้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนถุดระยะของลมหายใจเข้าข้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนถุดระยะของลมหายใจออกจุดที่ข้ารู้เป็นที่ตั้งของจิตรู้มีอุเบกขาปรากฏ คำว่าอุเบกขาก็คือความที่จิตรู้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ตรงที่ตั้งก็ปรากฏเป็นอุเบกขาตรงนั้นความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก อย่าพยายามไปบีบให้ลมมันสั้นพอเรพยายามบีบลมสั้นตัวความรู้คือตัวสติมันจะถูกบังคับค้ามรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าค้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกจิตค้ามรู้ระยะของลมหายใจ นานก็เท่ากับลมยาวสั้นก็เท่ากับลมสั้นจิตรู้กับลมหายใจจะพอดีกันควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก เฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดยะของลมหายใจออกพอลมหายใจออกสุดเกิดระยะหยุดขึ้นจิตรู้อยู่ที่อุเบกขาแล้วก็เฝ้ารู้ลมหายใจเข้า สุดระยะของลมหายใจเข้าเฝ้ารู้สุดระยะของลมหายใจออกกำลังของจิตรู้มีกำลังขึ้นแต่ว่าเฝ้ารู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้า รู้นั้นเบาๆแต่กำลังของรู้มีมากจิตรู้สามารถที่จะสัมผัสกับเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายแต่จิตรู้ก็ยังคงเฝ้ารู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจได้ สลับกับการที่เขารู้เวทนานั้นด้วยแค่รู้เวทนาที่ปรากฏที่กายแต่ค้ามรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าค้ามรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกลมยาวก็จะรู้นาน ลมสั้นก็จะรู้สั้นเมื่อจิตเกิดปรารถนาในขณะที่รู้ลมเข้าจิตปรารถนาให้ลมสั้นก็ให้รู้ว่าจิตเกิดความปรารถนาขึ้นก็กลับไปตั้งอยู่ตรงที่ ที่ตั้งแล้วก็ควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกความปรารถนาก็จะดับลงความปรารถนาที่ดับไปเรียกว่ามันจางคลายเกิดความจางคลายขึ้นความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้า ความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกมีผัสสะกระทบจิตรู้ปล่อยวางได้เกิดเป็นความดับขึ้นมา แล้วก็ไปคว้าวรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าคว้าวรู้ตั้งแต่ต้นลมไปจนสุดระยะของลมหายใจออก ลมหายใจจะละเอียดและก็สั้นลงจิตรู้ก็รู้ระยะของลมหายใจสั้นลงตามลมหายใจ ถ้าลมหายใจหยุดจิตรู้ก็คอยเฝ้าอยู่ที่ตั้งของจิตรู้โดยมีอุเบกขาเป็นอารมณ์เมื่อลมหายใจสั้นๆปรากฏละเอียดก็เฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจนั้น ข้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าข้ามรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกลมหายใจสั้นเป็นลมละเอียดจิตรู้ก็จะรู้สั้นรู้ละเอียดเมื่อลมหายใจหยุดสติที่ยังมีอยู่อุเบกขาปรากฏจิตรู้ก็เข้าอยู่ที่อุเบกขา เป็นสีเป็นแสงอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้มลมหายใจเกิดก็แค่เฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าแค่รู้เฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกเกิดความเย็นเกิดความแผ่สซ่านเกิดสภาวะอะไรก็แค่รู้ อยู่กับอุเบกขาและก็รู้ในสภาวะนั้นๆตามความเป็นจริงเมื่อลมหายใจมาก็ความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าความรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก ลมหายใจมันเบาละเอียดแล้วก็สั้นเราก็ความรู้ตามความเป็นจริงของลมหายใจที่เกิดตัวรู้จะเห็นเนื้อลมหายใจตามความเป็นจริงตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจ แล้วตัวรู้ก็จะรู้กระจายออกไปที่กายเท่าที่รู้ได้ตามกำลังแต่ก็ยังคงต้องค้ารู้อยู่ที่อุเบกขาแลวก็ค้ารู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกหรือไหลเข้าตามความเป็นจริง มีกระแสของปิติหรือมีปิติมีปรามโมทก็ไม่ต้องไปสงสัยหรือดีอกดีใจอะไรก็อยู่กับอุเบกขาและก็เว้าวรู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าคว้าวรู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกเมื่อลมหายใจหยุดก็อยู่กับอุเบกขาและก็รู้อยู่ตรงนั้น รู้ที่กระจายออกจากช่องจมูกผ่านไปที่คอขึ้นไปที่ศีรษะหรือลงไปที่กายสุดแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ที่ตั้งของจิตรู้จิตอยู่กับอุเบกขาเมื่อลวมหายใจปรากฏก็เฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้า ควารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออกแต่ยังไม่มีสภาวะใดๆปรากฏก็ความรู้อยู่กับอุเบกขาและก็รู้เฝ้ารู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมไปเรื่อยๆ ขยับปลายนิ้วมือฝ่าน้อมจิตกลับมาขยับที่ปลายนิ้วมือฝ่าให้จิตรู้สึกแลก้วค่อยๆยกมือฝ่าเคลื่อนไปช้าๆวางไว้ที่ข้อข้างขวาขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกค่อย ๆ, ๆเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายให้จิตรู้สึก ยกจิตกลับมารู้สึกอยู่บริเวณใบหน้าของตนแล้วก็พะหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งก็ลืมตาออกจากสมาธมิตอนนี้ก็ได้รู้จักสภาวะหลายตัวใช่ไหมล้างบางอย่างได้ล้างออกไปใช่ไหมเออ จะสังเกตสภาวะที่ให้ออกมาเพราะว่าจะให้ปฏิบัติต่อเองได้แล้วทีนี้ไปที่นั่งที่ห้องหรือถึงไหนก็นั่งได้แล้วจะสังเกตว่าหน้ากากนเนี่ยมันจะทำให้เราอึดอัดอึดอัดไหมหน้ากากจะทำให้เราอึดอัดดังนั้นปัญหาของบางอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้คือหน้ากากและความง่วงที่เกิดขึ้นก็คือหน้ากาก นี่เราถอดหน้ากากตื่นเลนยเพราะเราใส่หน้ากากแล้วออกซิเจนมันเข้าไปน้อยไงแต่เราไม่ใส่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้วันนี้ที่นำปฏิบัติเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ไปเดินจิตเองหามุมที่เราสามารถถอดหน้ากากได้ ย่องพักหรือว่ามุมไหนก็ได้เนี่ยจะมาถอดเพราะว่าทุกคนใสไงสังเกต ร, รู้เลยว่ามันเดินสภาวะเดินจิตได้ลำบากเมื่อใสหน้ากากจิตแทนที่จะไปรู้ลมมันไปรู้เรื่องร้อนเรื่องเย็นเพราะว่าลมหายใจออกเนี่ย พอพอมันออกมาไปกระทบกับหน้ากากพอหายใจเข้าลมหายใจเข้ามันดึงหน้ากากเข้าไปด้วยมันก็เลยมีสภาวะหลายแบบออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้แยกกันไปนั่งปฏิบัติเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดใครจะเดินก่อนก็ได้หรือจะนั่งต่อก็ได้ แต่คิดว่าการนั่งรู้ลมหายใจภายใต้หน้ากากมันมันมีอุปสรรคพอสมควรนะ น, นี่ตอนนี้ไม่ใส่เนี่ยรู้เลยว่าโยมันต่างจากจากตาเกที่ใส่เยอะมากเลยต่างเยอะมากนี่ขนาดว่าเราเองนะต่างเยอะมาก แล้วเรื่องนี้มันเคยไม่มีในในสมัยประสูนย์ในสมัยพระเจ้ <laughs> าไม่ ม, ไ ม, มีไม่ปรากฏว่ามีใครใส่หน้ากากแล้วไม่รู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าใส่ท่อใส่ท่อแยข้าไปในปากอ่ะจะยากมากนะรู้รู้ลมยากมากพวกที่นอนบนไอซแล้วก็สอดท่อเข้าไปนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลย ยากมากนี่แค่เราหน้ากากนะหน้ากากนั้นเนี่ยเพราะยากโอ้โหยิ่งถ้าสอดทางปากนี่นะไอไอไอหลอดท่อลมร่องคนมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็แยกออกมาเป็นสองสองทางอันนี้ออกมาปากอันนี้ออกไปจมูกเวลามันสอดท่อเข้าไปเนี่ยท่อเนี่ยมันต้องเข้าไปถึงสุดคอต่อตรงเนี้ย พอเข้าไปทึงสุดคอต่อตรงนี้เวลาลวมันจะหายใจไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็ต้องใช้เครื่องนั้วมันผ่านแล้วมันผ่านผ่านท่อเปนลาติกไม่ผ่านระบบประสาทนีนจะไปรู้กับอะไรอะ่ะใช่ไหมมันไม่รู้นาเวทนามากนี่ก็ละล่อนหลงใส่หน้ากางมีปัญหาบวมปว่ว อ้าวเมื่อกี้เดินเดินจิต ь, ด้วยการรู้ลมหายใจจะสังเกต mm hmm. เดี๋ยวจะไปถอดหน้ากากนั่งแล้วจะรู้จะสังเกตว่ามันมีสามสภาวะที่ปรากฏแต่ตั้งแต่อันแรกเราก็จะเริ่มรู้จักอุเบกขาตั้งแต่ลมยาวรู้ลมเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจเข้าเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมจนสุดระยะของลมหายใจออก พอลมหายใจออกสุดปับก่อนที่ลมหายใจเข้าจะมาจิตรู้อยู่ที่ฐานฐานตรงนั้นเป็นที่ตั้งของอุเบกขาและพอโลกเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอุเบกขาตัวนี้จะเป็นจะจะปรากฏชัดขึ้นที่พระพุทธเจ้าที่พระสารีบุตรตรัสว่าอุเบกขาสันฑาติคืออุเบกขาปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏเป็นตัวระลึก ตัวสัมปญญะตัวรู้เป็นอนุปัสนายานตัวที่รู้จึงยิ่งอย่างนี้เราจะยิ่งเห็นชัดระหว่างตัวสติกับสัมปัญญะตัวระลึกกับตัวรู้เนี่ยมันมาปรากฏชัดตรงนี้แหละเวลาเราเดินเรารู้สึกว่าเนีรู้กับระลึกเนี่ยมันยากจังแต่เวลาเรานั่งตื่นไปเรื่อยเอย่เราก็จะเห็นชัดว่าตัวระลึกกับตัวรู้มันมันคนละตัวกันแต่มันทางานด้วยกัน ก็ให้ภาวนาต่อนะภาวนาต่อ